อย่าไปห่วงคนอื่นนะแเราภาวนาตัวใครตัวมัน <c oughs> ทางนี้ไปคนเดียว <c oughs> ผูะพเจ้าเคยสอนนะบอกว่าถ้าไม่มีคนที่ดีกว่าเราหรือเสมอกเรานะไปคนเดียวดีกว่าม <c oughs> องเอโกะเลขักข้าวิสานะกับปูเนี่ย พึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนหนอแรกไม่ใช่กระสู้กระสู้ไปสองหนอเอกายนมัจทางสายเดียวสายเอกเนี่ยแปลได้หลายอย่างแปลว่าทางของท่านผู้เป็นเอกคือทางของพระพุทธเจ้าก็ได้ทางที่ไปครั้งเดียวแล้วไม่ต้องไปอีกก็ได้ไปครั้งเดียวแต่ได้หลายอย่างนะ ทางที่ไปคนเดียวนะทางนี้ต้องกล้าหาญไปคนเดียวได้พวกเราคนไในขี้กลัวไปไหนต้องมีเพื่อนตปมีไหมแค่ไปช้อปปิ้งยังต้องมีเพื่อนเลยต้องใจกล้าๆนะแต่ว่าเป็นผู้หญิงอย่าไปสเปรศป่าไม่ได้นะตามว่าตามาวาก็ไว้ใจไม่ได้หรอกพวกเหลวไหลมันแอบมาบวนเยอะแยะไปเดี๋ยวมันปล้ำม ผู้หญิงอยู่บ้านปลอดภัยใน่อยภาวนาที่บ้านฟังซีดีหลวงพ่อไปมีทุกคำตอบแล้วซีดีหลวงพ่อมีแผ่นเดียวก็พอแล้วไม่ต้องมีหลายแผ่นมีแผ่นเดียวนะฟังแล้วฟังอีกนะความรู้ความเข้าใจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะสูงขึ้นจะประเนตดขึ้นตามชั้นตามภูมิของจิตธรรมะประโยคเดียวกันนะคนสองคนฟังก็ไม่เหมือนกัน คนสมคนฟังก็ไม่เหมือนกันนะสิบคนนี่ก็ไม่เหมือนกันความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนกันหรอกประณีตหรือหยาบแตกต่างกันตามภูมิจิตภูมิธรรมอนนี้เห็นด้วยตัวเองเลยว่าตอนหลงพ่อเด็กๆนะอ่านเรื่องอริยสัจว่าเข้าใจนะมาพอนานเรารูโอ้ทแท บ, บเขะหัวตัวเองเลยโง่ยิบเองเลยนึกว่าเข้าใจไม่ได้เข้าใจเลย การอ่านทุกอะไรเป็นทุกขความแก่ความเจ็บความตายความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกอะไรรัดพราดจากสิ่งที่รักเป็นทุกขประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกขความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกเอารู้แล้วรู้ทุกแล้ว อะไรเป็นสมุทยัยตัณหาเป็นสมุทยัยมีกรร ม, มตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยากมีอยากได้อยากเป็นอยากไม่มีไม่เป็นรู้แล้นิโรธคืออะไรนิโรธคือนิพพานมรรคคืออะไรมรรคมีองค์แปดเรียนจบแล้วรู้อริยสัจไม่รู้หรอก แค่ทุกข์นนก็ยากนักหนาจะรู้ได้นะเรารู้แต่ว่าแก่เจ็บตายเป็นทุกข์รัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ในบทธรรมวัตรเช้ามีอยู่บทนึงบอกว่าสังขีเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์ตัวทุกข์แท้ๆคือตัวอุปาทานขันนะเข้าใจยาก ส่วนความแก่ความเจ็บความตายเป็นอาการปรากฏนะัอาการแสดงตัวของความทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาหรือจนถึงความเหี่ยวแห้งใจเป็นอาการปรากฏของทุกข์อะไรเป็นตัวทุกข์แท้ๆนะรูปนามเป็นตัวทุกข์ยากมากกว่าจะเข้าใจทุกข์ให้รู้ทุกข์ไม่ได้ให้ละ ถ้ารู้ถูกนะมันล่าสมุทัยเองประหลาดหนักเข้าอีกตอนเราเรียนเราก็ท่องว่าสมุทัยให้ละสมุทัยกรรมตันหาพระวะตันหาวิพระวะตันหาลึกนะตันหาสามัญก็ลึกอีกกรรมตันหาเนี่ยปรารถนาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสพระวะตันหาเนี่ยอยากให้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี้ให้มันมีอยู่อยากให้มันคงอยู่นิรันดร มันจะโน้มไปทางมิจฉาทิฏฐิชื่อสัตสตาทิฏฐิวิภาวะตัณหาเนี่ยอยากให้รูปเสียงกลิ่นรสผัวทพเนี่หายไปเลยมันจะโน้มไปทางอุเฉททิฏฐนะิธรรมะแต่และอันแต่และอันลึกนะแล้วตัณหามีทั้งสามอันทำไงจะละได้ยุ่งยากที่จริงรู้ทุกข์นั่นแหละละสมุไยัยเนะ กว่าจะคลายปมออกนะเพราวานากันปางตายเลยเอาชีวิตเท่าแรกนะถอย่าเข้าใจขึ้นมาใครจะนึกถึงว่าแค่รู้ทุกข์ลาสมุทัยได้ลาได้หมดด้วยทุกตัวแล้วลาครั้งเดียวลาครั้งเดียวไม่ต้องละซ้ําเนี่ยหลวงพ่อมีบุญนะได้อยู่กับครูบาอาจารย์ที่ดีท่านสอนมาก็เลยค่อยๆฟังท่านมา เอามาบอกต่อบ้างก็รู้ทุกขลาสมุทยัยในขณะที่รู้ทุกนั่นแหละละลสมุทยัยนี่แปลกจริงๆในขณะที่ลาสมุทัยนั่นแหละแจ้งนิโรธมือนแจ้งนิโรธตอนไหนก็ตอนรู้ทุกนั่นแหละก็รู้ทุกขลาสมุทยัยตอนที่แจ้งนิโรธนะะั่นะอรหัตตะมักเกิดขึ้นธรรมะลึก อ่านอ่านเอาไม่เข้าใจแล้วเราค่อยปฏิบัตินะดูของจริงไปเรื่อยจนมันเข้าใจคําว่าเข้าใจก็คือใจยอมรับความจริงเข้าถึงอกถึงใจไม่ใช่เข้าสมองไม่ใช่เข้าหูศึกษาให้ดีแล้วจะง่ายศึกษาไม่ดีก็มั่วฝึกอยู่หลายปีก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยก็ทำผิดนล่วแหละ ธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องไม่เนิ่นช้าให้ผลเร็วถ้าทานานแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่มีผลก็ไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าพวกเราในนี้มีไหมที่ทำมาหลายปีแล้วเหมือนเดิมมีไหมยกมือหน่อยซิมีไหมมีนนมมมแสดงว่าทำผิดแนละ้วถ้าไม่ทำผิดก็คือธรรมะทำไม่สมควรอย่าท ทำนิดๆนหน่อยๆแต่ถ้าทำเต็มที่แล้วก็ยังไม่เจริญนะก็ทำผิดนั่นแหละอย่าดื้อผิดแล้วห้ามดื้อ <c oughs> ค่อยมาเรียนค่อยมารู้นะเปิดใจกว้างๆเรามักจะติดความเชื่อบรานโบราณเช่นต้องได้ฌานก่อนถึงจะเดินปัญญาได้ความเชื่อที่โบราณมากเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเ ชานนะั้นไปเกิดที่จําเป็นนะต้องเกิดนะคือในขณะที่เกิดอริยมรรคต้องมีชาญก่อนหน้านั้นไม่จําเป็นหรอกนะใช้คณิกาสมาธิส่วนใหญ่ไปด้วยคณิกาสมาธนะิสมัยพุทธกาลนะพระอราหันต์เก่งๆมีตั้งเยอะพระเจ้าท่านอย่างแยกแยะไปเลยในพระอรหันต์หารอองค์เนะี่ย 60องค์ได้วิชาสามพวกนี้ต้องทรงฌานได้อภิญญาหกต้องทรงฌานอีก60องค์อุปโตภาควิมุตต์เนี่ยทรงอรูปฌปานได้มีอีก60องค์รวมแล้วก็คือร้อยแปดจาก5้าอที่เหลือ320ใช่ไหมพระสุขวิปสัสสกะสุขวิปสัสสกะก็อย่างพวกเราส่วนใหญ่นี่แหละไปด้วยคณิกาสมาธิ ม, มีความเชื่อที่หลอกหลอนตนเองเยอะเลยหรือไม่ฟังธทรรมให้ดีไม่รู้ว่าวิปัสสนาคืออะไรวิปัสสนาว่าเห็นตรงตามความเป็นจริงปัสสนาว่าเห็นบางคนก็ใช้คิดเอาคิดเอาเป็นวิตกคิดพิจารณาธรรมะนั่นวิตกไม่ใช่วิปัสสนาบางคนประคองจิตให้นิ่งให้ว่างคมใจให้สงบคมใจให้สงบ ก็ไม่ใช่วิปัสนารักษาจิตอยู่ภายในนิรันดรก็ไม่ใช่วิปัสนาเรื่องของสมถตาทั้งหมดเลยจิตส่งออกไปว่างอยู่ข้างนอกก็ไม่ใช่วิปัสนาก็เห็นรูปนามตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์เห็นไม่ใช่คิดต้องเห็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์แสดงอยู่ที่ไหนแสดงอยู่ที่รูปนามงนั้นรู้ที่รูปนาม แล้เห็นไตรลักษณ์แสดงตัวอยู่ถึงจะเป็นวิปัสสนารู้รูปนามเป็นสมถะนะต้องระวังอย่างเห็นท้องทองเห็นท้องยุบสมถะนะเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้านี่สมถะนะถ้าเห็นว่าตัวที่พองตัวที่ยุบไม่ใช่เราหรอกเห็นเราไม่ใช่คิดเราด้วยถ้าคิดเราก็ไม่ใช่เห็นแต่ท้องเห็นแต่ลมก็ไม่ใช่ต้อเห็นไตรลักษณ์ เนสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปรูปบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนามบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปท้องพองท้องยุบนีรูปมันเกิดดับเห็นมันเกิดดับไปจะเห็นได้เดินปัญญาได้จิตต้องมีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิชนิดรักขณูปนิชฌานตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาก่อน ก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนะจิตตั้งมั่นเด่นดวงเป็นคนดูเห็นกายทํางานเห็นใจทํางานการที่เห็นมันทํางานนั่นแหะเห็นมันแสดงใจรักนะร่างกายหายใจออกก็ดับไปร่างกายหายใจเข้าก็ดับไปร่างกายพองก็ดับร่างกายยุบก็ดับร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ดับไปได้เห็นมันถูกความทุกข์บีบคั้นหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์ เคลื่อนไหวก็ทุกข์หยุดนิ่งก็ทุกข์นิ่งนานๆทุกข์หนักเลยไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยก็ธาตุหมุนเวียนแล้วนะหมุนไปดูจิต ด, ดูใจก็มีแต่ความไม่เที่ยงสุขก็ชั่วคราวก็าหายไปทุกข์ก็ชั่วคราวก็าหายไปดีชั่วก็ชั่วคราวแล้วก็หายไป ถูกบีบคัน้นความสุขก็ถูกบีบคัน้นทนอยู่ได้ไม่นานความทุกข์ก็ถูกบีบคัน้นดีก็ถูกบีบคัน้นชั่วก็ถูกบีบคัน้นมันเป็นอนัตตาคือมันมีเหตุมันก็เกิดไม่มีเหตุมันไม่เกิดหรอกมีเหตุก็เกิดตั้งอยู่ด้วยอำนาจของเหตุหมดเหตุมันก็ดับไปไม่ใช่ตามสั่งต้องเห็นเอานะคิดเอาไม่ได้เห็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกใจยอมรับ ยอมรับความจริงายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราหรอกเป็นปัญญาเบื้องต้นใจนี้ใจนี้ไม่ใช่เราได้พระโสดาบันตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีแล้วมีอะไรมีธาตุมีขันธาตุขันทำงานไปมีการกระทำกรรมแต่ไม่มีผู้กระทำกรรมไม่มีเราพอนาต่อไปอีกตัวธาตุตั ว, ตวขันนั้นมันอะไรแน่มันตัวทุกข์ มันคือตัวทุกข์เห็นอย่างนี้นะั้นจะสลัดคืนธาตุขันให้โลกแล้วนี้ก็พ้นจากธาตุขันจิตจะพลากออกจากขันนิรันดรเลยนะไม่เข้ามาอีกโดยที่ไม่ได้รักษาแล้วอาการที่จิตพลากจากขันไม่เหมือนตอนที่เราภาวนานอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้จิตกับขันแยกออกจากกันรู้สึกไหมขันอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแยกกัน เ, เราก็บอกเนี่ยพลากจากขัน พระอรหันต์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะพระอรหันต์จิตกับขันย์อยู่ด้วยกันแต่ว่าพรากออกจากกันไม่กระทบกันหรอกแลองไปอีกแบบหนึง่งไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ส่งตัวแยกออกมาต่หากส่งตัวแยกออกมาต่หามีจุดมีที่ตั้งนไม่ใช่อีกใค่อยภาวนานะเป็นเรื่องอัศจรรย์ธรรมะที่ท่านสอนอัศจรรย์จริงๆเลยสอนวัวสอนควายอย่างพวกเรานะให้พ้นทุกข์ได้เป็นลําดับลําดับ รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะไม่ได้ว่าใครหรอกว่าตัวเองเลยโอ้ยโง่สปานนี้ได้อาศัยธรรมะของท่านได้อาศัยครูบาอาจารย์ช่วยโคกช่วยสับมาพอกระดุกกระดิกมาได้บ้างความทุกข์มันตกหายไปได้บ้างฝึกเอานะเอประเภท ร, รักษาจิตให้นิ่งๆเลิกคุยเลยมาที่นี่คุยไม่ได้นะภาวนาไม่เป็น แต่ถ้าจะทำสมถะต้องทำนะคนละเรื่องกันเดินปัญญารวดเนี่ยเดินไม่ไหวหรอก้วต้องทำความสงบเป็นระยะระยะให้จิตใจแช่มชื่นเบิกบานพอจิตใจแช่มชื่นเบิกบานแล้วต้องเดินปัญญาต่อไม่จะเดินปัญญารวดไปเลยมันจะแห้งแลง้งใจไม่มีความสุขถ้าได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสนาดีที่สุดเลยสมบูรณ์แบบ ถ้าได้อย่างเดียวนะก็เอาลักขณูปนิชฌานไม่ได้สมถะ ไ, ได้ลักขณูปนิชฌานแต่ในลักขณูปนิชฌานนะั้นพลิกเป็นสมถะได้นี่อัศจรรมีแต่เรื่องประหลาดประหลาด อ, อารมาโนปนิชฌานเนี่ยที่เขาทํากันนะสมาธิเพ่งอารมณ์เนี่ย เอาไว้พักผ่อนอย่างเดียวก็เอาไว้ทํางานทางโลกได้แค่นั้นทํางานทางโลกต้องใช้อา ร, รมณ์หนูปณิชานนะอย่าไปใช้ลักขนูปณิชานนะยางจะเขียนซอฟต์แวร์เนี่ยนะใช้อา ร, รมณ์หนูณิชานนะคืนใช้ลัคขณูณิชานนะเขียนไม่ได้ความคิดดับหมดเลยส่วนลัคขณูปณิชานเนี่ยใช้เดินวิปัสสนาใช้ทําสมถะก็ได้นะทำได้จนถึงสมาธิชั้นสูงขึ้นไปอีกนะเกินฌานแปดอีก ทำพระสมบัติก็ได้ทำนิโรธสมบัติก็อาศัยลักษณูนี่แหละงั้นอย่างพระสมบัติหรือผลสมบัตินะนิโรธสมบัติเนี่ยปุถุชนทำไม่ได้พลรายดยาบุคคลเอาต่อไปใครจะส่งกันบ้านปฏิบัติมานานแล้วค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วก็แต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีคำถาม เลยไม่ทราบว่าปฏิบัติได้หรือเปล่าเห็นกายกระใจเป็นคนละอันไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นกิเลสกับใจเป็นโคนลาอันไหมเออถ้าเห็นได้ก็ใช้ได้ละไปดูเอาเวลามันไหลไปรวมกันก็รู้นะมันแยกออกมาก็รู้ตรงที่มันแยกออกมาเป็นตัวรู้นี่มันยังมีสองแบบแบบถูกกับแบบผิดแบบถูกเนี่ยจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าแบบผิดเนี่ยจะแข็งแข็งแข็งทื่อๆจงใจแยก ถ้าจงใจแยกก็ยังไม่ใช่ตัวผู้รู้จริงคล้ายๆไม่ใช่ตัวจริงกาบนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะก็หลวงพ่อบอกว่ายังโลกเจ้าค่ะก็มีวันที่ภาวนาอยูช่ช่วงกลางๆ ก, ก็คลายได้บ้างแต่ก็ยังฟุ้งเจ้าค่ะแต่เห็นเมื่อคืนก็สวดมนต์เลยพ่อฟุ้งมากมสวดมนต์ไปนานเป็นชั่วโมงๆเจ้าค่ะก็ก สวนมนต์นดีนะหนูงพ S. <S ่อสวดมนต์วนันหนึ่งต้องหลายรอบเนี่ยรอบหนึ่งก็านานนะ ส, ว น, สวนมนต์แล้วร่าเรึงใจคิดถึงพระพุทธเจ้ า, จาๆๆก็เห็นที่กายบางครั้งเขาก็แยกไปนะเจ้าค่ะแล้วก็บางครั้งก็รวมแล้วอีกบางทีเขาไปเห็นความหมายของคาที่สวดจ้ค่ะอันนั้นใจมันฟุง้งละใช่ไมเจ้าค่ะ ใจมันตรึกใจมีคิด <Okay. S 2> นะเดินจองกลมก็ตึกคะ่ะให้รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่าน <Okay. S 2> นะเดินไปจิตไปคิดแล้วรู้ทันโอ้ฟุ้งซ่านละไม่ว่าแค่รู้ว่าอ๋อฟุ้งไปละไหลไปละนะรู้สภาวะไปเรื่อยนะดีเค่ะค่ะอยากให้หลวงพ่อด้วยปีนี้ก็เข้าปี ช่วงวันเกิดจะขึ้นช่วงใหม่ก็อยากให้หลวงพ่อให้การบ้านเข้มๆหน่อยจ้ะเราเกิดทีไรก็เป็นทุกทุกทีแหละเกิดมาหลายทีก็ทุกนานไปดูเอานะเห็นแต่ทุกนะนี่แหละการบ้านการบ้านของนักปฏิบัตินักปฏิบัติชั้นดีนะรู้ทุกขอบพระคุณเจ้าค่ะ งพ่อคะแล้วถ้าบางทีมันปฏิบัติอยู่แล้วจิตมันมันนิ่งไปอย่างเงี้ยครับรู้วนิ่งรั้วนิ่งแต่ดีขึ้นนิดนึงนะคะเจ้าค่ะดีก็ทำอีกนะทำให้พอนะไป้พอนาเอาเออรู้สึกสบายกว่าวันแรกที่มาเจ้าคะ่ะวันนี้สบายที่สุดเลยจะกลับบ้าน <c oughs> <c oughs> สบายใจ <c oughs> ไปรานานนะมาอยู่วัดหลายวันแล้วได้เรียวได้แรงดีแต่คอยรู้ทันเวลาใจมันหนีไปคิดนะใจมันฟุง้งซ่านมารู้ทันถ้าดูใจไม่ออกก็ดูกายเห็นร่างกายกระดุกกระดิกไปใจเป็นคนดูอ่ะวันนี้ก็ อ, อยู่วัดหลายวันจิตเริ่มมีเรียวมีแรงขึ้นครับอตอนนี้ก็จะเห็นแต่กิเลส ท, ที่หยาบ แต่วันแรกๆก็จะฟุ้งมากกิเลสหยาบกิเลสละเอียดนะเท่ากันนะเท่าเทียมกันไม่ใช่ต้องเห็นกิเลสละเอียดหรอกกิเลสหยาบแสดงใจลักกิเลสละเอียดก็สแสดงใจลักให้เห็นใจลักษนะไม่ได้พาวนาเพื่อเอาชนะกิเลสไม่เคยมีใครชนะกิเลสหรอกก็พอพอวันหลังๆก็เริ่มรู้สึกมีเรื่องแรงก็กลายเป็นประคองไว้ซะเยอะอธรรมดา คนที่ไม่ภานาก็ฟุง้งภาวนาก็ประคองเป็นธรรมดาไม่ผิดปกตนะิประคองก่อนแล้วก็รู้ว่าประคองอยู่ก็เจริญสติสมาธิปัญญาเรื่อยๆไปต่อไปไม่ต้องประคองมันเป็นเองเบื้องต้นก็รักษาไว้ประคองไว้ก็ถูกแล้วล่ะควรควรเพิ่มของเรื่องทำทำในรูปแบบเข้าไปเพิ่มไม่จําเป็นแต่ว่าทําให้สม่ําเสมอจําเป็นกว่า สม่ำเสมอนะจำเป็นมากเลยไม่ใช่ต้องเพิ่มไปทีหนึ่งหลายๆชั่วโมงนะถ้าหลายชั่วโมงลงทำไปเครียดไปัไ็ไม่ประโยชน์เลยทำพอดีพอดีพอลาบากใจนิดๆแล้วนี่เคล็ดลับการภาวนานะภาวนาไปพอลาบากใจนิดๆอย่าไปตั้งเป้าให้ลาบากเยอะๆแต่ไม่ใช่เอาสบายๆสมมติเรานั่งสมาธิได้15นาทีสบายนั่ง15ทุกวันเลย เอามาสัสิบหกนาทีสิบ็ดนาทีอะไรเงี้ยมันทรมานใจหน่อยหน่อยนะดัดนิสัยมันซะหน่อยแก้ขี้เกียจแก้ท้อแท้ใครฝึกไปยด็กหนายทำได้นานกับเรียนถามจริต ท, ที่ที่ควรจะทำ <c oughs> ดูเอาเองสิห <c oughs> ลวงพ่อสอนลูกสิทธ์หนะ้เหมือนพ่อแม่สมัยใหม่นะสอนให้พึ่งตัวเองแต่พ่อแม่สมัยนี้ใช้ไม่ได้หรอกเลี้ยงลูกด้วยไอแพด ก็กต้อง อ, อุปกรณ์เลี้ยงลูกนะเด็กมันก็จะนั่งให้แผ่นเนี้ยจ้อ ง, อ, งออกนอกทั้งวันเลยมันคงไม่ไปเปิดดูเว็บไซต์หลวงพ่อประโมทหรอก <c oughs> เล่นจิ้มจิ้มไปเลย <c oughs> ะนำะำมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ได้ส่งการบ้านหลวงพ่อมานานแล้วก็ หนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ติดอะไรแต่ว่าอยากจะขอคำแนะนำหลวงพ่อจเจริญ<า>ขึ้นไหมจเจริญขึ้นจเนนจา้าค่ะวัดตัวเองไปค่ะแล้วมีอะไรที่ที่หนูจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือว่าต้องมีอะไรต้องเพิ่มเติมไหมเจ้าค่ะเรารู้ทันมันไปเรื่อยๆนะสาธุเจ้าค่ะนมัส ก, การหลวงพ่อครับ อข อ, อการถามคือผมเพิ่งเริ่มปฏิบัติได้ไม่นานครับก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองปฏิบัติได้ถูกต้องหรือยังครับถูกแล้วครับผมเราสังเกตไหมว่าใจมันไหลไปคิดได้ครับผมรู้ไหมตัวเนี้ยเห็นบ้างครับเออนะถ้าเราเห็นอย่างนี้ใจมันจะเริ่มเข้าบ้านแนะเข้าฐานเห็นร่างกายกับใจเป็นโคราชไหมเห็นบางครั้งครับเห็นกิเลสกับใจเป็นโคราชไหมตรงนี้ไม่น่าใจครับเนะถ้างั้นดูกาย ครับผมเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนนะร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนผใจเป็นแค่คนดูแต่ปอไปใจมีสุขใจมีทุกข์อะไรมันค่อยเห็นเองดูกายไปเราคือเมื่อก่อนนี่คือมันมันมันชอบทุกข์มากครับมันชอบลงทางนั้นแล้วมันก็รู้สึกเหมือนมันมีสุขในความทุกข์โอีกที่หนึ่งไม่ทราบว่าเพราะอะไรเป็นเยอะนะผู้หญิงเป็นเยอะกว่าผู้ชาย ผู้หญิงเนี่ยโดยเฉพาะคิดอะไรแสบแสบเศ้าเศ้านะสะใจดีให้เรารู้ทันชอบก็รู้นะครับชอบก็รู้ทันอิทธารมของแต่ละคนหมายถึงอารมณ์ที่น่าพอใจแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกบางคนได้อะไรเผิดร้อนแล้วก็ชอบใจบางคนก็อ่อนโยนอ่อนหวานชอบใจให้เรารู้ทันใจชอบก็รู้ใจไม่ชอบก็รู้นะครับขอบพระคุณครับ นมัส ก, การค่ะเดือนที่แล้วมาอยู่วัดหลวงพ่อแนะนําให้บริกรรมอะค่ะก็ไปทําแล้วอยากจะทราบว่าไม่ทราบว่าถูกทางหรือเปล่าเราดูตัวเองดีดีขึ้นไหมล่ะนะบริกรรมไปเรื่อยๆบริกรรมนี้ใช้ได้ตลอดเลยนะหลวงตามมหาบัวท่านเคยเล่าท่านทําตั้งแต่ต้นจนจบด้วยบริกรรมนี่แหละบริกรรมแล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อยแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะทาให้สม่<ๆ>ําเสมอนะ คือฝากเป็นฝากตายไปกับคำบริกรรมเลยแล้วก็เราก็รู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวรู้ทันจะมีกำลังนะอาว่ามากลาบหลวงพ่อจ้าค่ะระยะ น, นี้หนูก็เห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกลางอก เ, อเกือบทั้งวันเลยอะคะ่ะแต่ว่าหนูแปลไม่ค่อยออกไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลนะห้ามแปลอ๋อไม่ต้องไปขยันแปลแค่เห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็หายไป เป็นแค่นั้นเองพอแล้วไม่ต้องแปลหลวงพ่อคะแล้วอย่างถ้าสมมุติว่าเรามีสภาวะหนึ่งที่เราชอบแล้วหลวงพ่อบอกว่าเราต้องรู้ทันจิตว่ามีราคาแทรกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าหนูแตะไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะไม่ไม่ต้องแปลราคาก็ได้ชอบรู้ว่าชอบที่ชอบนั่นแหละตัวราคาแต่เหมือนกับหนูรู้หนูรู้ว่ามันมีอะไรขยับแต่ว่าหนู ไม่รู้ว่ามันชอบหรือไม่ชอบอย่างไม่ไม่ต้องไปคิดนะหลวงพ่อ บ, บอกให้ดูชอบไม่ชอบเนี่ยแค่นำทางให้ให้มันสังเกตให้จิตมันสังเกตเองเราไม่ต้องไปช่วยมันสังเกตแ้่ช่วยมันสังเกตจะฟุ้งซ่านอย่างหลวงพ่อบอกให้ไปดูตัวนี้อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวมันไปดูเองค่ะขอบคุณค่ะ นมาสการหลวงพ่อคือฟังซีดีหลวงพ่อมาส5หปีแล้วนะคะ <Ừ. S 1> แต่ว่าเพิ่งมาเริ่มตั้งใจจะปฏิบัติจริงจังประมาณปีหนึ่งค่ะ <Ừ. S 1> ก็ช่วงแรกๆเหมือนมันดีขึ้นเรื่อยๆก็คื อ, อ, อรูออ้มีสติเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เผลอสั้นลง <Ừ. S 1> แต่เหมือนช่วงประมาณเดือนหนึ่งมานี้ค่ะเหมือนมันไม่แน่ใจว่ามันเสื่อมลงหรือเปล่าคือมันเหมือนเผ่อยาวขึ้นแล้วก็เหมือน สติเกิดน้อยลงค่ะไม่แน่ใจว่าการภาวนานะเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเนี่ยเป็นปกติเพียงแต่ว่าจิตต้องมีเครื่องอยู่นะจะอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธอะไรก็ได้ะให้มันมีบ้านอยู่ไว้เวลาเสื่อมมันจะไม่เสื่อมนานเวลามันไหลไปยังไม่นานแต่ว่าไม่บังคับนะไม่ใช่ว่าบังคับต้องรู้สึกตัวนา น, านรู้สึกตลอดเไม่ต้องเราอยู่กับเครื่องอยู่อะไรล่ะ ก็พยายมจะพุดโทรค่ะแต่ว่ามันมันก็เผลอไปมากกว่าวถ้าพุดโทรแล้วเผลอแด้วมันละเอียดไปเอาอะไรที่หยาบขึ้นหน่อ ย, ยหายใจมาประกอบเนยถ้าหายใจแล้วก็ยังเผลอไปอีกข็แสดงว่าวลมหายใจนี่ละเอียดเกินไปอีกมาดูล่างกายที่เคลื่อนไหวเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างรู้สึกในร่างกายบ่อยๆเอาร่างกายเป็นเครื่องอยู่นะแล้วถ้ายังไม่ไหวอีก นะร่างกายก็หยาบไปนะคอยรู้ทันเลยพามันคิดเลยพามันคิดตอนนี้คิดถึงผมคิดถึงขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกไล่ขึ้นไล่ลงนะจิตไปอยู่ที่ผมก็รู้ไปอยู่ที่เล็บที่ฟันที่หนังที่เนื้อที่เอ็นอะไรเงี้ยเขรู้ไปเรืนะ่อยนี่หยาบที่สุดละนะเราต้องปฏิบัติในรูปแบบด้วยไหมคะควรจะทําให้มีพลังนะถ้าไม่ทําในรูปแบบเนี่ยเราจเจริญสติรวดไปจะไปได้ช่วงเดียวแล้วไม่มีแรงนะ พอไม่มีแรงมันจะหลงยาวรู้สึกไหมว่ามันแยกขันได้ก็รู้ว่าจิตกับกายคนละส่วนกันเนี้ยใช่ไดีนะตรงนี้แหละต้นทางต้นทางไปพระ น, นิพานอ่ะถ้าแยกไม่เป็นนะมีแต่กูันเดียวนโอ้นิพานไม่ได้หรอกเออนมันสการพระอาจารย์ฮะคือผมปฏิบัติแนวหลวงพ่อมาประมาณ รวมปีแล้วครับที่นี้เนี่ยก็อยากจะขอคำแนะนำว่าจะปฏิบัติยังไงต่อเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมก็เห็นครับนมันพัฒนาขึ้นก็ใช้ได้นะครับเรวก็คอยดูกิเลสกิเลสมันจะพุดขึ้นมาให้เราดูได้เรื่อยๆครับคิดอย่างนี้สุขคิดอย่างนี้ทุกคิดอย่างนี้โลภโกรธหลงอะไรอย่างนี้ครับคอยรู้ทันจิตใจไปเรื่อยๆครับดูมันดูคนอื่นไม่เข้าไปแทรกแซงครับได้ ทีนี้ผมใช้กายเป็นวิหารหรือธรรมนี้ก็ใช้ได้ใช่ไหมครับใช้ได้ใช้ได้จะได้สมาธิครับครับอย่างร่างกายกระดูกกระดิกเรารู้สึกจิตอยู่กับร่างกายไม่มีไปไหนเลยอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยครับเป็นสมาธิแล้วครับแล้วถ้าอะไรผุดขึ้นมาในจิตเราก็ค่อยรว้อบอย่าไปจ้องอยู่ที่จิตครับครับในขณะเดียวกันก็ไม่จ้องที่กายนะแค่รู้สึกกายครับถ้าจ้องกายจ้องจิตก็คือเพ่งละครับมันจะขวางการเดินปัญญา นิมิตการหลวงพ่อครับคือเพิ่งหัดภาวนาไม่นานนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันติดเพ่งหรือเปล่าอย่ากลัวเพ่งนะใครๆเขาก็เพ่งกันทั้งนั้นนะเราไม่ร่างกายไปยักหน้าเห็นไหม <h? S 2> ใจอยากพูดครับนั่นแหละภาวนาเป็นสงสัยทราบไหมใจหนีไปคิดครับใจหนีไปคิดเราก็รู้ทันอย่าไปเพ่งให้ซึมทื่อขึ้นมา ลอยให้มันเป็นธรรมชาติอย่าไปจ้องอย่ามันแข็งแข็งขึ้นมานะเหมือนบางทีมันติดไปแต่ก็จงใจลืมๆืมไปให้มันลืมลืมไปลืมลืมแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วอย่างบางทีเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราช่วยมันคิดก่อนอย่างเช่นว่าเราโกรธขึ้นมาแล้วก็แบบช่วยมันคิดว่าเนี่ยที่โกรธเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวอะไรไม่รู้อย่างเงี้ยใช้ได้ไหมครับใช้ได้เป็นอุบายเบื้องต้นแต่ต่อไปจิตมันเห็นเองไม่ต้องคิด ตรงที่ยังคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสนายังไม่ขึ้นวิปัสนาวิปัสนาแปลว่าเห็นและคิดเอาต้องวิตกเอาต้องตรึกตอนนี้ใจแอบไปคิดหรือยังคิดแล้วครับอันนี้รู้ตันอย่างนี้แหละไปทําได้ดีนะทําอีกมีอะไรแนะนำเพิ่มเติ ม, ต ม, ตมไหมครับหลอยา่าขี้เกียจ น, นะต้องเด่นเดียวทําไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนแต่ว่าไม่เลิกรีบร้อนหมายถึงอยากได้เร็วๆอยากได้ผล อยากได้ผลจะไม่ได้ผลแต่ว่าทำสมา่าเสมอไปนียจะดีใช้ได้ขอบคุณครับนักสการ์ค่ะคือโยมอยากจะทราบว่าที่คิดว่าตัวเองแยกกายแยกจิตได้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าแล้วมันแยกไหมล่ะ ก, ก็คิดว่าแยกอะค่ะช่างคิดไหมช่างคิดเนะจุดอ่อนของคุณนั้ช่างคิดนี่เอง ถ้ามันช่างคิดนะค่อยๆสังเกตไปความรู้สึกกับใจก็โคนละอันกันเห็นความโลภความโกรดความหลงไหมเห็นค่ะดูไปเห็นมันมาแล้วมันไปเคยเห็นไหมเคยเห็นตั้งนานแล้วค่ะอแล้วเห็นสุขเห็นทุกข์ไหมความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นก็เห็นค่ะแล้วเห็นกายถนัดกว่าเห็นกายกับใจเห็นอะไรได้ชัดกว่ากันเห็น รู้สึกว่ากายจะชัดกว่าเอองั้นเรา อ, อกกายเป็นฐานนะลองยิ้มสิ ย, มยิ้มหวานหวาน เ, เห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นค่ะพยักหน้าเห็นไหมเห็นค่ะดูมันดูคนอื่นนะเล่นอย่างนี้ให้เยอะเลยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปเหมือนเราเห็นคนอื่นแล้วเวลาใจมันอยากขึ้นมาอย่างใจมันอยากพูดเนี่ยมันก็จะรู้ทันขึ้นมา ตอนนี้เรียกว่าแยกธาตุแยกขันได้หรื อ, อยังเจ้าคะโอ้อยากได้คำตอบตรงนี้เนาะ <laughs> ถ้าถ้าแยกไดจริงจริงมันจะแยกชัดเจนเลยใช่ไหมเจ้าคะใช่แต่ว่าไม่ใช่ไปอยู่คนละที่นะไม่ใช่ร่างกายนั่งอยู่นี่จิตไปอยู่บนเพดานบ้านไม่ใช่นะมันแยกในความรู้สึกเท่านั้นว่ามันเป็นคนละอันคำว่าแยกเนี่ยแค่รู้สึกว่ามันเป็นคนละอันเท่านั้นไม่ใช่แยกไปอยู่คนละที่เจ้าคะ่ะ คือยมจะรู้สึกเหมือนกับว่ากายเ อ, อจิตอยู่ข้างหน้าแล้วก็เห็นกายอยู่ข้างในมาแปลกทาไมจิตไปอยู่ข้างหน้าอาไม่ถูกใช่ไหมเธอคะสงสัยจะไม่ใช่จิตลรอมึงอยู่ข้างหน้าจิตมัเป็นคนดูแค่รู้สึกในกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวแค่นี้พอแล้วไม่ต้องไปทําอะไรมากกว่านั้นแล้เวเดี๋ยวพอมันมีกําลังแล้วมันค่อยพัฒนาไปเองแหะ ไม่ใช่ทุกคนต้องดูจิตออกนรัตการหลวงพ่อค่ะคือฟังซีดีหลวงพ่อมานานแบบรู้สึกเหมือนจับอะไรไม่ค่อยได้กังวลไหมกังวลจับอะไรไม่ได้รู้ว่ากําลังกังวลนี่แหละจับได้ละจะจับอะไรก็ จ, จับก็คือรู้เท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจนี่แหละใจกําลังกังวลรู้ว่ากังวลนี่แหละปฏิบัติตละค่ะใจสุขใจทุกข์อย่างเนี้ยอยากพูดไหม ยังไม่เกียมมันอยากพูดไหมถ้ามันอยากพูดจนดันขึ้นมาล้วก็รู้ว่ามันอยาก mm. ก็แค่นั้นเองคือมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะไปไหว้พระแล้วพระท่านบอกว่าให้สวดอิติปิโสท่นนี้ก็เลยไม่ไม่แน่ใจว่าควรจะสวดอิติปิโสตลอดไปสวดแล้วสบายใจไหมสวดแล้วหลับ <laughs> เาเหรอต้องอย่าหลับสินะ ยกเว้นอยากจะหลับก็วสวยดีไปสวยแล้วหลับไปเลยจะ ส, สรุปว่าคือ <ลง S 1> ท, ที่สําคัญนะัคือความมีสตินะทํากรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวได้ mm hmm. ก็เอาอันนั้นแหละอันไหนทําแล้วมันละเอียดไปจับไม่ได้ น, ะนานๆหลับไปเลยไม่ดี mm hmm. ขอบคุณค่ะต้องไปเลือกดูนะอยู่กับอะไรแล้วสติเกิดบ่อยเอาอันนั้นแหละ เช่นร่างกายหายใจเราเห็นร่างกายหายใจแล้วเรารู้สึกตัวได้บ่อยๆล้วก็ดูร่างกายหายใจไปไม่ใช่ดูลมหายใจนะดูร่างกายหายใจกับดูลมหายใจนี่ไม่เหมือนกันนะดูลมหายใจเนี่ยจิตจะไปจับอยู่ที่ลมแล้วลืมทุกสิ่งทุกอย่างดูล่างกายหายใจเนี่ยรู้สึกเป็นทั้งตัวเนี่ยเห็นตัวนี้กำลังหายใจพยายามดูร่างกายหายใจไปเรืหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัว ไม่ใช่หายใจออกรู้ที่ลมหายใจออกหายใจเข้ารู้ที่ลมหายใจเข้าไม่ใช่แค่นั้นหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวเห็นตัวเนี้มันหายใจรู้ตัวทั่วพร้อมสบายสบายลองไปดูว่าอยู่กับอะไรแล้วสบายใจกับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะพอดีวันนี้มาอยู่วัดวันแรกอยากขอคาแนะนาหลวงพ่อเจ้ค่ะกลัวตุกแกไหมกลัวตุกแกไหม คุพ่อจำได้ตุ๊กแกเยอะที่นี่นะมาทุกครั้งเลยกลัวผีไหมก็บางครั้งอะบางครั้งกลัวความมืดไหมคือตรงที่เรากลัวผีกลัวความมืดนั้นมันทําให้เราสิ่งที่ไม่รู้เราเปิดไฟเปิดไฟแมลงมาแมลงมาตุ๊กแกจะมานะมันเป็นหลักของเหตุของผลทั้งสิ้นเลยสิ่งทั้งหลายกระทั่งตุ๊กแกจะมาก็มีเห็ุมีผลนะอ วตุกแกไม่มาเดินเล่นตุกแกจะมาหากินตุกแกตอนไหนน่ากลัวที่สุดตอนที่ไม่รู้ว่ามันจะโดดเกาะหรือเปล่าตอนที่ไม่แน่ใจฮะถ้าเห็นมันอยู่ไกลๆท่านไม่น่ากลัวเท่าไหร่ให้คอยดูจิตดูแจ้งเราไปเนาะสมมติตุ๊กแกมามันเกาะมันก็เกาะแค่ขันมันมาทำอะไรเราเห็นไหม ไม่กลัวมันนะให้กำลังใจไหมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็คือใจมันก็มาอยู่ตรงที่ว่ามันมาถึงอยู่ตรงที่ว่ามันคิดว่ามันอยู่ตรงนี้ดีแล้วมันไม่มันคิดว่าอยู่ตรงเนี้ดีแล้วแล้วก็มันไม่ได้อย่างออกไปข้างนอกเพราะมันคิดว่าดูมันอยู่ตรงเนี้ค่ะ มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องจบของมันเองอืมแต่หนูไม่เข้าใจวันเนี้หนูเห็นพระอาจารย์แล้วหนูก็ร้องไห้ทั้งที่หนูไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะเขาเรียกว่าปีติเรียกว่าปีติเนนี้เราก็แค่รู้ทันอย่าให้ปีติครอบใจเราได้ก แ, แค่เห็นปีติมาปีติไปใจเราเป็นแค่คนดูไม่ถูกมันย้อมค่ะแต่ยังมองมันไม่ค่อยเห็นเพราะนั่นก็เลยมันยังคอฟงามหนูอยู่ กิเลสไม่มีอะไรมากถ้ารู้ทันมันก็หมดไปถ้ารู้ไม่ทันมันก็ครอบเราอยู่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วกิเลสมันมีหลายระดับอันไหนที่เรารู้ทันแล้วมันก็หลอกเราไม่ได้ในยังรู้ไม่ทันก็เรียนรู้มันไปใช่ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์ถ้าเราเห็นตัวมาแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าเราเก็บข้อมูลมันไว้แล้วมันก็จะ มันก็เหมือนเหมือนเราจําภาวะนั้นได้<ช>แต่ถ้าเรามองไม่เห็นนะ่ะมันยังไม่เห็นมันก็จะกลับเข้ามาอยู่ได้เรื่อยๆ น, น, นั่นมันเข้ามาแล้วเราก็รู้บ่อยๆต่อไปเราก็เห็นมันนั่น ถ, ถูกต้องที่พูดมานะสตินะ่ะเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นงั้นพอสภาวะอันนี้กิเลสตัวนี้เรายังไม่รู้จักจําได้ไม่แม่นมานี่นะงงสติไม่เกิดแต่เกิดงงแทนนะหรือถูกมันครอบออกไป แต่ถ้าตัวไหนเราจําได้แม่นพอมันมาปุ๊บสติระลึกได้ปั๊บขาดสะบั้นเลยเราสั่งสติให้รู้ไม่ได้แต่ว่าเราพามันดูบ่อยๆพอจิตมันจําสภาวะได้มันรู้จักตัวนี้แม่นยับแล้วนะตัวนี้หลอกเราไม่ได้อีกต่อไปแต่ตอนนี้จิตหนูเหมือนแพ่งเหมือนมันเพ่งมากๆเลยเพราะเหมือนมันใช้กําลังมองเออนะจงใจมากไปนะให้ผ่อนคลายกว่า น, นี้หน่อยเครียดไปเพราะมันยังมองไม่เห็นไงพระอาจารย์อ ย, อยากเห็นสิ ให้รู้ว่าใจกำลังอยากอยู่และจิตกำลังโลภอยู่แล้วก็ไม่มีความสุขเลยไปเข้นเข้นมันนะจิตมันเครียดจิตที่เครียดเนี่ยเป็นโทสะน ะ, ะมีโทสะแทรกสังเกตไหมมีความไม่สบายใจแทรกอยู่นั่นแหละก็รู้ทันว่ากำลังไม่สบายใจอยู่เนี่ยรู้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่หนูยังบังคับคือมันมันต้องคลายของมันเอง <c oughs> ถูกแต่ต้องรู้ทันนะ รู้ทันลงปัจจุบันไปเช่นตอนนี้มันเครียดรู้ว่ามันเครียดส่วนมันจะคลายไม่คลายเรื่องของมันแต่รู้ทันว่าตอนนี้เป็นยังไงแต่ตอนนี้หนูมหาธงเพราะว่าจิตมันมันมันแย่มากมันหนูไม่รู้จะบอกว่ามันแย่หรือไม่แย่คือหนูก็เห็นว่าใจหนูดูตัวนี้เลยนะหนูดูตัวโทสะใจเนี่ยมีความไม่พอใจไม่ชอบให้หนูรู้ลงตรงนี้เลยรู้ลงปัจจุบันแค่นี้เอง ก็อื่นไม่มีปัญหาละคือใจไม่เป็นกลางใจเกลียดมันใจทำไมนะคะพเจใจใจไม่ชอบเลใช่ค่ะมันไม่ชอบ ม, มันไม่ชอบบ่อยอะค่ะให้รู้ทันไม่ชอบเกิดขึ้นก็รู้ไม่ชอบดับไปก็รู้จะเห็นว่าความนิ่ชอบเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อ๋อใช่ค่ะห น, หนูเห็นบ้างบางครั้งหนูไปดูไตรลักษณ์บ่อยๆน ะ, ะดูอนัตตาบ่อยๆ มันเป็นเองมันไม่ใช่เรามันเป็นเองค่ะพระอาจารย์หนูไม่ได้ติดอะไรเยอะใช่ไหมคะไม่ติดหรอกเพียงแต่หนูติดอารมณ์อารมณ์นี้เจือโทสะนะมันไม่ชอบมีตัวไม่ชอบเยอะไปขอบพระคุณค่ะกราบนมสรสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาเจ็ดปีแล้วเจ้าค่ะดูได้ว่าได้เจ้าค่ะ คราวที่แล้วหลวงพ่อเข้มแข็งขึ้นหรื อ, อยัง อ, อ, อยากท้อใจเข้มแข็งขึ้นนะเจ้าคะแต่จิตเป็นเหวี่ยงเร็วมากเลยค่ะจิตนีนเร็วอยู่แล้วโดยตัวของมันเองนะเราไปหวังว่ามันจะช้าไม่ได้หรอกมันเป็นอย่างนี้แหละพยายามดูทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นอย่างนี้แหละห้ามมันไม่ได้เจ้าค่ะ คราวที่แล้วหลวงพ่อให้โยมไปบอกว่าให้โยมรู้ลงปัจจุบันอื ม, มันยากมากเจ้าค่ะหลวงพอ่อยากนะถ้าง่ายๆกับพระละหันเต็มเมืองแต่จิตเขาก็ดูจ้าค่ะทีนี้ได้แจะเห็นไหมว่ามันมีกําลังมากขึ้นมีกําลังขึ้นนี่นแหละลอยู่กับปัจจุบันไปนะพลังเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเจ้าค่ะทีนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงปีเนี้โยม คือจิตเขาทุกข์มากเลยนะเจ้าคะ่ะทุกทุกเล็กทุกใหญ่ทุกน้อยอืแต่พอเห็นเข้าอะ่ะก็เหม็นมันก็หยุดนะ่ น, นะคะมมันก็หยุดเรา<ต>ไม่ ไ, ไม่ได้หนีทุกข์นะค่ะเราร่วมไปด้วยเห็นมันเกิดดับเกิดดับไปเจ้าคะ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละทีนี้ที่ยอมสงสัยก็คือว่าบางครั้งที่โยมเจอทุกข์หนักหนักซึ่งไม่เคยเจอมาก่อนเนีนะคะลักษณะเหมือนจิตเขาจะถอยมาเป็น เขวจะถอยเลยเอถอยออกมาเป็นผู้ดูแล้วโยมก็มาสงสัยตรงนี้แหละค่ะสงสัยอว่าว่าเขาถอยออกมาเป็นผู้ดูหรือว่าเขาหลบสังเกตดูสิถ้าใจถอยออกมาดูนะรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยเขาก็เป็นคนดูนะถ้าเขากลัวทุกข์เขาพยายามดันออกไปพยายามแยกตัวออมาแล้วพยายามไม่ให้มันเข้ามากระทบกันอนะไรเงี้ยใจไม่ค่อยมีความสุขอะ่ะอันเนี้ยหลบ ดูที่ใจเราใจเรามีความสุขไหมช่วงที่เป็นอย่างนั้นใจก็ไม่ได้มีความสุขเจา้าค่ะแลัวแต่ ก, กลัวกลัวทุกข์ก็ถอยออกมาแต่ถ้ามันถอยเองนะไม่เป็นไรเนี่ยค่ะโยมโยมอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อคะ่ะว่าเขาถอยเองหรือว่าเขาหลบอะค่ะมันไม่ได้เกิดบ่อยแต่มันก็เกิดเจ้าค่ะไม่สําคัญนะรู้ว่าถอยก็แล้วกัน รู้ว่าเขาถอยออกมานะแล้วถ้าสงสัยไว้มันถอยเพราะอะไรรู้ว่าสงสัยเอาปัจจุบันไหมเจ้าค่ ะ, ะไม่ต้องค้นควานะเอาปัจจุบันไปได้เจ้าค่ะแล้วอีกอันนึงก็คือยมยังไม่คือยมนึกคิดว่ายมเห็นใจรักแล้วนะคะแต่มาครั้งเนี้ยเพิ่งจะรู้สึกว่าที่ว่าเห็นเห็นนั่นอ่ะมันคงจะเห็นไม่จริงเพราะมีอยู่วันหนึ่งที่ทําสมาธิเมื่เร็วๆเนี้ค่ะทําสมาธิแล้วก็ ตามลมหายใจไปเห็นกายกําลังหายใจอยู่นะคะแล้วลมหายใจแนละ้วมันก็หนักเบาไม่เท่ากันสั้นยาวไม่เท่ากันเกิดดับไปเรื่อยๆเหมือนพอจิตจะรวมก็จะไม่เห็นตรงนี้เข้าแล้วก็เลยขณะนั้นนะก็ได้เห็นว่ากายที่กําลังหายใจอยู่นั้นเนะ่ยมันคือเหมือนโยมไม่เห็นกายมาตั้งนานแล้วอะคะ่ะแต่ณเวลาตรงนั้นนะ่ะมันเห็นกายขึ้นมาว่า กายมันมีอยู่นะแต่มันเหมือนมีแต่เปลือกคือปัญญาเนี่ยไม่ได้เกิดตลอดเวลานะะ <Okay. S 2> นานๆเกิดทีหนึ่งเรื่องถูกแล้วละเรื่องบางทีพานาไปนะไม่ได้ความรู้ความเข้าใจอะไรแล้วนานๆก็เข้าใจให้มาจริงมันไปเห็นแล้วมันเป็นเปลือกเปลือกไม่ใช่เราหรอกเป็นถ้าเป็นโพรงที่จิตอาศัยอยู่นะี่เจ้าค่ะนั่นเรารู้ถูกละ ก็ถูกแล้วนี่มาเห็นจะผิดตรงไหนเลยน ะ, ะโยมมีอะไรที่หลวงพ่อจะเมตตาอย่าไปกังวลใจว่าภาวนาผิดนะเ น, นี่เมตตาแล้วให้รู้ทันเลยมันกลัวมากไปกลัวจะผิดกลัวจะช้าอะไรเงี้ยใช่จังค่ะแก่มากแล้วล้วก็จะตายอยู่แล้วด้ไม่จําเป็นหนะ้าเด็กวัยโยมตายไปตั้งหลายคนแล้ว เยิมก็ยังอยากเจ้าค่ะหลวงพ่อ <Ừ. S 1> มันหายไปเป็นระยะแต่มันก็ยังมีอยากอยู่บ้านอยู่กับปัจจุบันไปเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกราบน้มัสการเจ้าค่ะเชิญกับบ้าน